สมัมผัสสยองฉันวางรองเท้าผีเรื่องที่ผมเจอเป็นช่วงที่ผมอายุเก้าถึงสิบขวบตอนนั้นน่าจะอยู่ประมาณปสามปสี่ซึ่งก็นานหลายปีแล้วทุกๆครั้งที่โรงเรียนปิดเทอมผมจะต้องเดินทางกลับบ้านเกิด ปิดเทอมครั้งนี้ก็เช่นกันผมเดินทางจากนครศรีธรรมราชไปยังจังหวัดสตูลบ้านเกิดของผมเองใช้เวลาเดินทางนานพอสมควรในที่สุดผมและครอบครัวก็มาถึงบ้านเมื่อมองดูนาฬิกาแล้วก็เป็นเวลาประมาณสองทุมครึง่งบ้านที่สตูลเป็นบ้านปูนสองชั้นผมอยู่ชั้นบนกับพ่อแม่และน้องสาว ส่วนชั้นล่างให้ปู่กับย่าอยู่เพราะท่านเดินเหินลำบากโดยปกติแล้วผมเป็นคนนอนดึกแต่ถ้าวันไหนง่วงมากๆ ก, ก็จะนอนค่อนข้างเร็ววันที่ผมไปถึงบ้านนั้นผมง่วงมากๆเลยคิดว่าจาบน้ำแล้วเข้านอนเลยก่อนจะเข้าห้องน้ำแม่ก็บอกกับผมว่าพรุ่งนี้จะพาไปซื้อของในห้าง ผมตอบตกลงกับแม่ไปจากนั้นก็เข้าห้องไปอาบน้ำชั้นสองที่ผมอยู่จะมีสามห้องห้องทางซ้ายเป็นห้องนอนที่ผมกับน้องสาวอยู่ส่วนทางขวาจะเป็นห้องนอนของพ่อกับแม่และห้องน้ำจะอยู่ระหว่างกลางของห้องนอนทั้งสองห้องตรงนั้นจะเป็นบันไดด้วยพอผ ม, มาอาบน้ำเสร็จผมก็กลับห้องของผม ชัดแจงแต่งตัวเตรียมเข้านอนเพราะผมเพลียมากตอนนั้นก็ประมาณสามทุ่มกว่าแล้วเมื่อแต่งตัวเสร็จผมก็เข้านอนไม่นานคนอื่นๆภายในบ้านก็เข้านอนเหมือนกันแต่และห้องต่างก็ปิดไฟโดยเปิดไฟแค่ในห้องน้ําห้องเดียวผมหลับไปได้สักพักก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นอยากจะเข้าห้องน้ํา ตอนนั้นก็ใกล้เวลาห้าทุ่มแล้วผมลุกจากเตียงเดินออกจากห้องไปเข้าห้องน้ำโดยใช้ไฟจากโทรศัพท์ส่งไปตามทางเดินก่อนถึงห้องน้ำจะต้องเดินผ่านบันไดก่อนเมื่อผมเดินมาถึงหัวบันไดก็เหลือบไปเห็นอะไรบางอย่างที่ฉันวางรองเท้าตรงบันไดข้างล่างแม้แสงสว่างจะไม่มากนักแต่ก็เพียงพอ ที่จะทำให้เห็นรายละเอียดได้ดีภาพที่เห็นมันทำให้ผมขนลุกผมเห็นศีราะของผู้หญิงผมยาวตั้งอยู่บนชั้นวางรองเท้าผมตกใจมากไม่คิดว่าจะมาเจออะไรที่น่าสยดสยองแบบนี้ผมมั่นใจร้อยเปอร์เซน์ว่าสิ่งที่เห็นเป็นศีราะของผู้หญิงแน่นอน จึงรีบวิ่งไปเปิดไฟทุกดวงที่อยู่ใกล้มือผมที่สุดพอบ้านสว่างแล้วผมค่อยๆหันไปดูที่ชั้นวางรองเท้านั่นอีกครั้งก็พบว่าศีสศะนั้นได้หายไปแล้วผมรีบเข้าห้องน้ำแล้วกลับมาเข้าห้องนอนอย่างรวดเร็วแต่ก็นอนไม่หลับคิดว่าแววงว่าสิ่งที่เห็นตรงบันไดเป็นแค่ผมตาฝาดไปเองหรือมันเกิดขึ้นจริง จนถึงตอนเช้าผมก็ยังไม่ได้เล่าเรื่องที่เจอเมื่อคืนให้ใครฟังเพราะใกล้เวลาที่ห้างจะเปิดผมก็อาบน้ำแล้วก็ออกจากบ้านไปพร้อมกับครอบครัวระหว่างทางผมยังคิดถึงเรื่องเมื่อคืนอยู่แต่พอแม่ชวนคุยเรื่องอื่นผมก็ลืมเรื่องสยองนั้นไปเสียสนิทพอไปถึงห้างสรรพสินค้าแม่รู้ว่า ผมชอบเข้าร้านหนังสือมากจึงพาผมดูหนังสือก่อนที่จะไปซื้อของอย่างอื่นผมเดินดูหนังสือเล่มนั้นเล่มนี้ไปเรื่อยเปื่อยแต่ไม่รู้อะไรนำพาให้ผมไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งเมื่ออ่านดูภาพเหตุการณ์เมื่อคืนก็ย้อนกลับมาหลอกหลอนผมอีกผมเปิดอ่านไปอ่านมาแล้วก็เปิดไปเจอหน้าที่เขาเขียนว่าทำนายทายทักดวงชะตา ผมพลิกหน้าหนังสือเพื่ออ่านดวงของคนที่เกิดวันพฤหัสซึ่งเป็นวันที่ผมเกิดดวงบอกว่ายามค่ำคืนดึกดืก่ดนๆไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบ้านตัวเองโรงแรมโรงเรียนหรือสถานที่ที่มีบันไดเวลาเดินผ่านห้ามมองไปที่หัวบันไดไม่เช่นนั้นจะได้เจอกับสิ่งที่ไม่คาดคิด ผมอ่านแล้วถึงกับอึง้งแปลกใจที่เหตุการณ์เมื่อคืนกับเรื่องทำนายดวงในหนังสือรงกันจนหน้าตกใจแต่ผมก็ยังหาคำตอบของศีรษะปริศนาในคืนนั้นไม่ได้ซึ่งยังคงเป็นเรื่องที่คาใจผมจนถึงทุกวันนี้เจ้าที่ในร้านอาหาร แม่ของหยกเป็นผู้จัดการร้านอาหารในจังหวัดเชียงใหม่หยกจึงได้มีโอกาสไปช่วยแม่ทำงานที่ร้านด้วยทำให้เธอพอจะมีเงินเก็บอยู่บ้างเวลาอยากได้อะไรก็ไม่ต้องรบกวนให้แม่ช่วยซื้อให้แม้จะทำงานได้ประมาณหกเดือนแล้วแต่หยกก็ยังอยู่ในฐานะเด็กใหม่ของร้านจึงมักจะได้อยู่ที่ร้านจนดึกดื่นเป็นประจำคืนหนึ่ง ละมานสีทุ่มกว่าๆยกทาความสะอาดปิดไฟแล้วก็ปิดประตูร้านขณะที่ยกกำลังเดินไปที่มอเตอรไซเพื่อจะขี่กลับบ้านเธอหันไปมองในร้านแล้วเห็นเงาคนตะคุ่มตะคุ่มอยู่ที่บาร์ตอนแรกยกคิดว่าอาจจะเป็นพนักงานคนอื่นก็ได้แต่ก็นึกขึ้นมาได้ว่าเธอเป็นคนปิดร้านคนสุดท้าย ซึ่งเป็นไปไม่ได้ว่าจะมีใครอยู่ในร้านอีกเธอคิดว่าอาจจะตาฝาดไปเองก็ได้เหตุการณ์ในคืนนั้นผ่านไปเวลาก็ล่วงผ่านจนยกทำงานที่ร้านได้เกือบหนึ่งปีแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงปิดเทอมสั้นๆของหยกพอดีที่ร้านกำลังจะจัดงานเลี้ยงและมีการแสดงของพนักงานในร้านด้วย คืนนั้นเป็นวันอังคารหยกและรุ่นพี่ในร้านอีกคนอยู่ซ้อมการแสดงกันวันนั้นต้องลองชุดการแสดงแต่รุ่นพี่ลืมหยิบหมวกที่ต้องใช้มาด้วยหยกจึงอาสาไปหยิบหมวกที่อยู่ในอีกห้องหนึ่งมาให้พอเดินไปก็เจอผู้ชายตัวสูงสูงหัวโลนยืนหันหลังอยู่เมื่อหยกเดินเข้าไปใกล้ผู้ชายคนนั้นก็หันมา แล้วยิ้มให้กับหยกแต่มันไม่เหมือนยิ้มธรรมดาโดยปกติทั่วไปเพราะเขาฉีกยิ้มจนปากแทบจะถึงใบหูดวงตาค่อยๆถลนออกมาจนเกือบหลุดออกจากเบา้าหยกกลัวมากตัวแข็งทือ่อก้าวขาไม่ออกขณะที่กลัวจนแทบสิ้นสติก็ได้ยินเสียงรุนพี่เรียกหยก จึงรีบวิ่งกลับไปแบบไม่คิดชีวิตหลังจากคืนนั้นผ่านไปได้สามเดือนก็มีพนักงานใหม่เข้ามาทำงานที่ร้านแล้วเจอเหตุการณ์สยองขวัญคล้ายๆกับที่หยกเจอทั้งหยกและพนักงานใหม่จึงไปเล่าให้ผู้ใหญ่ในร้านฟังผู้ใหญ่ก็บอกว่าเจ้าที่ที่นี่แรงมากใครมาทำงานที่นี่ต้องไปไหว้เจ้าที่กันทั้งนั้น แต่ยกและพนักงานใหม่ไม่เคยว่า้เจ้าที่สักครั้งจึงมักจะเจอเรื่องแปลกบ่อยๆเมื่อทั้งสองไปไว่ายเจ้าที่เป็นประจำตามที่ผู้ใหญ่แนะนำหลังจากนั้นยกและพนักงานใหม่ก็ไม่เคยพบเจอเหตุการณ์อะไรแปลกๆอีกเลยสารเจ้าอาถรรพ์ เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับพี่ชายของผมเองชื่อพี่กรีมตอนนั้นพี่ผ ม, มาอายุ12ปีพวกเราอาศัยอยู่ในกรุงเทพก็ใช้ชีวิตกันตามปกติเหมือนครอบครัวคนอื่นๆโดยทั่วไปไม่เคยมีเหตุการณ์อะไรแปลกๆหรือร้ายแรงเกิดขึ้นจนมีอยู่วันหนึ่งซึ่งเป็นวันหยุดพวกเราเลยไม่ได้ไปโรงเรียนก็เลยตื่นสายได้ ส่วนพ่อกับแม่ก็ไปธุระข้างนอกแต่เช้าพอตื่นมาผมกับพี่รู้สึกหิวมากจึงเดินไปดูในห้องครัวระหว่างที่เดินไปนั้นมันมืดสลัวมากเพราะหน้าต่างปิดหมดทุกบานแสงจากภายนอกสาดส่องเข้ามาได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อพวกเราเดินไปถึงตู้กับข้าวแล้วเปิดออกดูก็พบว่า ไม่มีอาหารอะไรให้กินเลยเพราะแม่ไม่ได้ทำให้เหมือนกับทุกๆครั้งพี่ครีมจึงบอกกับผมว่าไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อก็แล้วกันส่วนตัวผมเองก็ไปกับพี่เขาด้วยพอไปถึงพี่ครีมก็หยิบเอาขนมปังสอดไส้มาสองหอ่อข้าวกลองอีกหนึ่งกล่องแล้วก็เครื่องดื่มแบบที่เป็นขวดแก้วมาอีกหนึ่งขวด ส่วนผมเลือกเก็บข้าวกล่องกับขนมอีกหนึ่งถุงและน้ำหมัดลมด้วยพอจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เสร็จแล้วเราก็ออกมาระหว่างที่เดินกลับบ้านซึ่งอยู่ห่างไปไม่กี่ร้อยเมตรได้ความหิวพวกเราจึงเดินไปด้วยกินไปด้วยพอพี่ครีมกินขนมและน้ำหมดจึงโยนขยะในมือทิ้งแล้วโยนขวดน้ำทิ้งไปด้วย ซึ่งเป็นจังหวัดเดียวกันกับที่เราเดินผ่านหน้าสารข้างทางพอดีถุงขยะตกลงไปที่ข้างสารส่วนขวดน้ำใบกระแทกกับหลังคาสารทำให้ชิ้นส่วนแตกหักเมื่อผมเห็นดังนั้นก็ถามพี่ว่าพี่ทิ้งไปแบบนี้ไม่เป็นไรเหรอแต่พี่ครีมก็ไม่ได้สนใจและไม่ได้ตอบอะไรจนพวกเราเดินกลับไปถึงบ้าน พอมาถึงบ้านได้สักพักพี่ครีมก็บ่นว่ารู้สึกร้อนจึงเข้าห้องน้ำไปอาบน้ำหลังจากอาบน้ำเสร็จผมก็เห็นว่าหน้าตาพี่ครีมดูหม่นหมองมากแต่ก็ยังไม่ทันได้ถามอะไรพี่ครีมบอกผมว่าอยากจะนอนพักผมก็ปล่อยให้พี่นอนพักแล้วเดินออกไปอีกห้องหนึ่งเพื่อเปิดทีวีดูรายการบันเทิงในวันหยุด แล้วก็กินข้าวกล่องที่ซื้อมาด้วยสักผักผมก็ได้ยินเสียงพี่ครีมร้องเหมือนคนที่ตกใจกลัวเป็นอย่างมากผมตกใจรีบลุกจากหน้าจอทีวีวิ่งไปที่ห้องของพี่ครีมในทันทีเมื่อไปถึงผมก็ถามว่าพี่เป็นอะไรพี่ครีมบอกว่ามีผู้หญิงนั่งทับอยู่ที่อกของเขามีเด็กจับที่ขาอยู่ และคนแก่อีกสองคนจับแขนคงเข้าเอาไว้พี่ครีมขยับตัวไม่ได้และร้องแบบกลัวมากผมก็ทำอะไรไม่ถูกรีบหยิบโทรศัพท์โทรไปหาแม่แต่แม่ก็ไม่รับสายผมพยายามโทรซ้าแล้วซ้าเล่าแต่ก็ไม่มีคนรับสายเลยวิ่งไปหาซ้อยพระนำมาใส่ให้พี่ครีมแต่พอคล้องคลอปุ๊บสร้อยก็ขาดในทันที ผมนึกขึ้นได้ว่าต้องเป็นเพราะสารนั้นแน่ๆจึงรีบไปหาทูปไฟแช็กแล้วไปจุดขอขมาที่สารหลังนั้นในขณะที่ผมจุดถูปและกำลังยกมือไหวเพื่อขอขมาแทนพี่ครีมผมก็ได้ยินเสียงพูดดังออกมาจากสารว่ามึงไม่ได้ทำกูไม่รับกูจะเอาชีวิตมันเมื่อผมได้ยินก็ตกใจกลัวคนลุกไปทั้งตัว รีบวิ่งกลับบ้านไปดูอาการของพี่ชายเมื่อไปถึงห้องผมก็พบว่าพี่ผมนอนตายอยู่บนเตียงในสภาพที่เหมือนคนทรมานเป็นอย่างมากมันน่ากลัวมากแล้วผมก็เสียใจมาจนถึงทุกวันนี้ที่ช่วยเหลืออะไรไม่ได้เลย 海洋。